ววยเบนจพศคุณที่รักคุณเคยได้ยินใครๆพูดถึงไวยเบนจพศตไหมอ๋อแน่ละ่ะหนังสือพิมพ์ก็เคยพาดหัวข่าวออกไปบ่อยๆไปว่าวัยหนุ่มวัยเบนจพศสังหารคนรักสาวเบนจพศตตื่มยาพิษล่าโลกเมื่อเร็วๆนี้ก็มีข่าวร้ายแรงเกี่ยวกับคนเบนจเพศเหมือนกันแย่จริงๆคุณ ทำไมคนวัยเบญจเพศจึงชอบทำอะไรให้ชาวบ้านหวาดเสียวอย่างนี้หรือชาวบ้านอย่างเราเชื่อถือสิ่งเหลวไหลแต่ว่าก็ว่าเถอะคนรุ่นก่อนเขาสังเกตกันมาเป็นเวลานานหลายชั่วคนแล้วเขารู้เขาเห็นเขาได้ข้อสังเกตว่าคนในวัยเบญจเพศมักจะประสบเหตุการณ์ที่รุนแรงว่ากันว่าทำไมตายก็คลางเหลืองวันนี้ เป็นวันสำหรับคุณคุณลองหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาดูบ้างเพราะคุณเองก็ยังไม่ล่วงววยบนจะเพศใช่ไหมมันจะเป็นผลดีแก่ชีวิตของคุณอย่างยิ่งยวดถ้าคุณใช้เวลาเพียงสักสิบนาทีเท่านั้นอ่านและคิดข้อความที่ข้าพเจ้าสรรหามอบให้คุณด้วยความรักและหวังดีในวันมงคลของคุณนี้คืออย่างนี้ ชีวิตของคนเราตั้งแต่วันที่เราเกิดไปจนถึงวันที่เราตายเกณฑ์ปกติก็เป็นเวลาประมาณ80ปีเรียกว่าอายุไขคืออัตราอายุทีนี้ชั่วระยะ80ปีเราจะพบความเปลี่ยนแปลงของชีวิตคล้อยไปตามเหตุการณ์แวดล้อมรวม5ครั้งด้วยกันคุณจะต้องเสียเวลานิดหน่อยอ่านเรื่องของชีวิตแต่คงไม่เสียเปล่า เพราะเมื่อเรารักชีวิตเราก็ต้องหาความรู้เรื่องชีวิตห้าระยะนั้นคืออายุตั้งแต่เกิดจนถึงสิบห้าปีเป็นชีวิตพึ่งอายุ15ปีจนถึง25ปีเป็นชีวิตพบอายุ25จนถึง60ปีเป็นชีวิตเพียนอายุ60จนถึง70เป็นชีวิตพัก อายุ70จนถึงขึ้นไปเป็นชีวิตพ ร, รากจำไว้สิคุณเหตุการณ์แห่งชีวิตมี5ระยะเท่านี้จำคำย่อไว้ง่ายๆ5คำเท่านั้นและนี่คือยันชีวิตเราเข้าใจความหมายไว้เสียทั้ง5อย่างก่อนแล้วค่อยวกเข้าหาเรื่องเป็นประเภทเห็นจะดีดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัวเสยบ้างดีเหมือนกันหมายความว่า เรื่องทั้งห้านี้เป็นเรื่องใหญ่ประจำชีวิตในระยะนั้นเริ่มต้นด้วยชีวิตพึ่งคือตอนนี้และบางทีขณะ น, นี้ชีวิตของคุณหนูเองก็อาจจะตกอยู่ในระยะนี้มันเป็นระยะที่เราต้องพึ่งคนอื่นผลวัยนี้แล้วย่างเข้าวัยสำคัญคือวัยหนุ่มวัยสาวเรื่องใหญ่ประจำวันและประจำใจคือการพบประเดี๋ยวนัดพบที่นั่น ประเดี๋ยวนัดพบที่นี่กับใครที่ไหนเมื่อไรรวมทั้งการได้พบเห็นอะไรแปลกๆอีกหลายอย่างแล้วค่อยพูดกันตั้งแต่อายุ25ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วชีวิตจะเต็มไปด้วยการทำงานทำและทำวันนี้ทำพรุ่งนี้ทำคนวัยนี้เจอหน้ากันเข้าก็ถามถึงงานเป็นไงทำงานที่ไหนค้าขายดีไหม ทำไร่ทำนาเป็นยังไงบ้างแหมแย่ yeah, ไม่ว่างเลยงานท่วมหัวคูณเนยและอื่นๆตกลงว่าในวัยนี้คนต้องใช้ความเพียรพยายามเป็นอย่างมากใครเกียดคร้านไม่ทำเสียคน60สิล่วงแล้วร่างกายซุดโสมเหมือนเกวียนชารุดเพราะใช้มานานจึงยกเป็นชีวิตพักคนวัยนี้ แม้ไม่ทําการงานเลยก็ไม่มีใครว่าแก่แล้วไม่รู้จักเจียมตัวเสียอีกจะโดนลูกหลานดูเอาและถ้าลูกหลานผู้ใดใช้คนแก่ทํางานหนักเขี้ยวเข็นจะเอางานกับคนแก่โลกเขาตําหนิว่าเป็นคนเข็นแก่ตัวเจล่วงแล้วละสิเต็มไปด้วยเรื่องพลัดพรากใครไปเยี่ยมเยินก็พร่ำพรรณนาแต่สิ่งที่สูญหายล้มตายไปแล้วให้เขาฟัง คนนั้นตายสิแล้วตรงนี้พังสิแล้ววันนี้จะไปอาบน้ำศพใครพรุ่งนี้เผาใครและเราเองละ่ะจะไปเมื่อไหร่เมื่อห0สิปีก่อนโน้นได้วรับซองจดหมายสีฟ้าสีชมพูอ่านแล้วยิ้มแต่บัตดนี้ไปรสีมาแต่ละเที่ยวมีแต่ซองริมดาอ่านแล้วก็เฮ้ยไปสิแล้วนี่แหละคุณชีวิตของคนเรา คุณจำได้แล้วหรือยัง อ, อักษรพทั้งหคุณเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าชีวิตของคนเรารวมทั้งตัวคุณด้วยว่าอยู่บนพานห้าใบที่จะทยอยกันเข้ามารับรองตามการละของเขาทีนี้เราจะพูดถึงเฉพาะชีวิตในวัยเบญเพศวัยอาถรรพ์ที่คนทั้งเมืองพากันขยาดซึ่งที่จริงวัยที่กล่าวนี้ไม่ใช่วัยที่น่ากลัว แต่เป็นวัยที่ออกจะเสี่ยงอยู่มากคล้ายๆกับเรานั่งรถยนต์ทางไกลนั่นแหละคุณระยะทางที่น่าดูน่าชมที่สุดก็คือตอนที่รถกำลังวิ่งอยู่ถนนบนไหล่เขาเชื่องอนผาทิวไม้และเหวลึกมันน่าดูน่าตื่นตาใจจริงๆแต่ว่าความเพลิดเพลินดังกล่าวนั้นมันถูกขนาบข้างด้วยความตายแวบบเดียวเท่านั้นแหละคุณถ้าคนขับประมาท เสียงหัวเราะระเริงก็กลายเป็นเสียงสะอื้นเช่นเดียวกันทางชีวิตระยะเบญจเพศเป็นระยะที่เต็มไปด้วยสิ่งเรืองใจแต่ถ้าคุณประมาทเบญจเพศออกมาจากภาษาบาลีว่าปัญจวีสะแปลว่า25วัยเบญจเพศก็หมายความว่าวัยที่ยังไม่พ้น25สแต่ความถือของชาวบ้าน มักจะเจาะจงเอาว่าในปีอายุ25นั่นเองเป็นปีเบญจเพศเหตุผลละ่ะพลิกกลับไปดูเกณฑ์อายุสิกุล 1-15 ถึงชีวิตพึ่ง 15-25 ถึงชีวิตพบเหตุการณ์ในชีวิตตอนนี้มีเรื่องสำคัญอยู่2เรื่องคือเรื่องพึ่งกับเรื่องพบมันจะไม่แรงได้อย่างไรตายถ้าใครไม่รู้จักรักษาตัว อ่านต่อไปอีกนิดเถอะคุณแล้วคุณจะได้ทราบเรื่องในสองระยะนี้ภายในอายุ25ปีชีวิตของเราต้องพึ่งอยู่กับคนอื่นไม่มีดามารดาก็ญาติถ้าไม่มีญาติก็ใครคนหนึ่งพึ่งท่านทั้งความเติบโตทางร่างกายทั้งความเจริญทางจิตใจอันที่จริงเกิดมาเป็นคนแล้วก็ต้องพึ่งกันตลอดชีวิต แต่การพึ่งในวัยอื่นเป็นการพึ่งแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยคือเราพึ่งเขาแล้วก็ให้เขาพึ่งเราผลัดกันพึ่งแต่การพึ่งในวัยต้นของชีวิตเราต้องพึ่งท่านจริงๆพึ่งหมดเนื้อหมดตัวคือพึ่งอย่างไม่มีข้อแม้ใดๆเลยเมื่อเป็นเด็กทารกอย่าว่าแต่จะให้ทำมาหากินเองเลยแม้แต่ชามข้าววางอยู่ข้างตัว ก็ไม่มีปัญญาที่จะทำให้มันเข้าไปในปากในท้องของตัวทำอะไรไม่ได้ได้อย่างเดียวคือทำชามข้าวหกแย่ไม่ท่านฟังเท่านี้ก็เห็นแล้วว่าคนเราต้องพึ่งคนอื่นอย่างไรกินก็พึ่งนอนก็พึ่งถ่ายก็พึ่งพึ่งหมดไม่มีเหลือจนกระทั่งได้เข้าโรงเรียนคุณหนูเวลานี้อายุเท่าไหร่ถามนิดเถอว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณหนู หรือว่ามันเป็นของของคุณหนูนั้นคุณหนูทํามาหาได้เองหรือต้องพึ่งพาไรายได้ของคนอื่นเอาละ่ะเราผ่านเรื่องวัยพึ่งไปก่อนเลยวัยพึ่งแล้วก็เข้าวัยพบจนถึงอายุ25ปีซึ่งเป็นเกณฑ์เบญจเพศคนในวนัยนี้ชายก็เป็นหนุ่มหญิงก็เป็นสาวจิตใจก็เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นคนวัยนี้จึงชอบออกนอกบ้าน ชอบเที่ยวทัศนาจรชอบรู้จักกับเพื่อนฝูงทั้งในฐานะเพื่อนทั้งในฐานะชู้สาวและทั้งแบบกึ่งเพื่อนกึ่งชู้สาวนอกจากนี้คนวัยนี้เป็นคนวัยเรียนจะได้พบกับความรู้ใหม่ๆและแนวความคิดใหม่ๆซึ่งแม้ว่ามันจะเป็นของเก่าสำหรับคนเกิดก่อนแต่ก็ใหม่สำหรับคนวนัยนี้เหตุการณ์ประจำวัยนี้ เมื่อสรุปแล้วก็มีผลเปลี่ยนแปลงสำหรับคนวัยนี้อยู่3สภาพคือ 1. ความไม่รู้จักอิ่มในการพบเห็นทำให้คนวัยนี้อยากเที่ยวอยากคบเพื่อนและมีความรักที่ไม่สู้จะแน่นอนโดยเฉพาะหนุ่มสาวที่รักและชิงแต่งงานกันในระยะต้นของวัยพบมักจะแยกทางกันในไม่ช้าเพราะความรักเป็นเรื่องของอารมณ์ชั่วครู่เสียมากกว่าที่จะรักกันจริงเขามักจะทาผิดเพราะ เรื่องรักใคร่สอความอยากรู้อยากเห็นทำให้ชอบเที่ยวและมักทำผิดเพราะเรื่องเที่ยวมากกว่าเรื่องอื่นเช่นหนีเที่ยวขับรถเร็วรถคว่ำอุปัรรเหตุในการเดินทางและอื่นๆ 3. ความรู้ใหม่ๆจะทำให้เขาเกิดความคิดแปลกๆแล้วก็แสดงความคิดออกมาโดยการคัดค้าน การโต้เถียงที่รุนแรงการต่อสู้ที่ไร้เหตุผลและเดินทางผิดประสบการณ์ทั้ง3ามนี้จะนําชีวิตเข้าสู่เหตุการณ์ร้ายแรงและมักจะเกินกว่าเหตุได้ง่ายผู้ที่อยู่ในวัยนี้จึงต้องพึงระวังจงหนักวิธีแก้เหตุการณ์ต้องเอาตัวเข้าอิงท่านผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ให้มากเช่นในการศึกษาการตัดสินใจความรัก และการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นประเพณีไทยพุทธชายนิยมเข้าบวชในระยะนี้หญิงก็ให้ได้ศึกษาธรรมะตามสมควร